ที่อยู่เงียบๆไม่มีเสียงอะไรมารบ ก, กวนล้วสู้ในเวลาที่มีเสียงรบ ก, กวนทำใจมันได้เพราะในโลกนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็มีอยู่อย่างนี้เราจะหลีกไปไหนมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละ ถ้าผู้ใดยังมีจิตวอนไหวอยู่กับเสียงต่างๆเช่นนี้แสดงว่าจิตของผู้นั้นนะไม่เป็นสมาธิหรยกว่าปัญญาก็ไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันต้องรู้เท่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆตามเป็นจริง ก็เพราะความไม่รู้เท่านั่นแหละใจมันยึดมั่นอยู่ด้วยความยินดีความยินร้ายจึงเป็นเหตุให้คนเราทํากรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนั้นจึงได้นำจิตวิญญาณนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สวยสุขบั่งสวยทุกข์บ้างไปตามกรรมที่ทานั้นนก็น ผู้ภาวนาบมก็จะตพิจารณาให้รู้ต้นเหตุที่นำให้ดวงกิดนี่เที่ยวเกิดเทีเ่ยวตายเป็ น, นสงสารนี่อย่างนี้สเสวยสุขบ้างสเสวยทุกข์บ้างแต่ผลสุดท้ายก็สเสวยทุกข์เพราะเมื่อเวลาคนเรานะ่ะเจ็บป่วยหนักเข้าจชนนี้แล้วหาความสุขน้อยหนึ่งก็ไม่มี เมื่อเจ็บหนักเข้าไปก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวถ้าบุคคลไม่ได้ฝึกผนจิตใจให้นักแน่นไม่มีปัญญารู้เท่าทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วมันจึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายเวลาเจ็บหนักเข้ามาขาดสติสมัติเช่ญยะเมื่อจิตกระวนกระวายไปแล้ว จิตตั้งไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่มีสติระคับประคองจิตนั้นขาดขันติความอดทนเอเตดังนั้นจึงต้องไปตามกรรมถ้าตายลงไปนะไอจิตที่ไม่ได้ฝึกขนให้มีสติเต็มที่เวลาจวนจะตายอย่างนี้นะคนไม่มีสติ คุ่มครองจิตตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเช่นนี้ตายลงมันก็ต้องไปทำกรรมเนี่ยสุดแล้วแต่กรรมไหนมีกำลังเหนือกว่ามันก็ไปตามกรรมนั้นผู้ที่ได้ภาวนาฝึกผนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณด้วยดีเช่นนี้ เวลาจวนเจนเข้ามาอย่างนั้นนะบาปอากุศลต่างๆที่มันจะแทรกแตงเข้ามาครอบงำจิตใจมันก็ครอบงำไม่ได้คือมันบาปกรรมมันจะให้บันดาลให้จิตใจนั่นพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปลืมตัวไปอย่างนี้นะผู้นั้นก็ไม่ลืมตัว พอได้ฝึกสติสมัติสัญญะได้ฝึกสมาธิมาแล้วได้ฝึกใจให้ตั้งมั่นมาแล้วก่อนที่ความเจ็บความตายจะมาถึงเพราะฉะนั้นการฝึ ก, กจิตใจในีจึงชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของมนุษย์เราผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้นับว่าเข้าใจผิด อะไรแล้วมันจะสำคัญเท่าฝึ ก, กจิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นด้วยดีการฝึกอย่างอื่นมันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ผู้จะเสวยทุกหรือจะเสวยสุกก็จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นดังนั้นควรควรพากันเห็นความสำคัญของการฝึกขนกจิตนี้ ให้มากๆทีเด an, ียวเมื่อเป็นผู้ที่เคยฝึกมาแล้วอย่างนี้เคยมีสติควบคุมจิตของตนในเวลานั่งภาวนาอยู <S <S ่จิตใจสงบอยู right. ่ด้วยอาการอย่างไรเมื่อออกจากสมาธิไปแล้วก็ไม่ลืมจิตอันนั้นมีสติกำหนดรู้จิตอนั้นอยู่ เมื่อรู้สึกว่าจิตของตนเป็นปกติอยู่ก็ประคับประคองให้เป็นปกติอยู่เรื่อยไปถ้ารู้ว่าจิตนั้นยังวันไหวด้วยเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่นี่ก็ฝึกจิตนั้นให้ตั้งมั่นในเข้มแข็งขึ้นกลัวเก่าไม่ให้มันวันไหวไปตามเหตุต่างๆนี่มันขึ้นอยู่การฝึกนาะจิตนี่นะเราจะอยู่เฉยๆ แล้วจะให้มันเข้มแข็งไปเองนะไม่ได้เราฝึกเวลาที่มันมีเหตุมากระทบกระทั่งนั่นแหละถ้ารู้ว่ามันวนไหวเราก็สะกดจิตไม่ให้มันไหวอย่างนี้นะจึงเรียกว่าฝึกถ้ามันวนไหวไปก็ปล่อยให้มันวนไหวไปอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าฝึกจิตใจอืมเข้าใจเราฝึกไปพร้อมกันแหละกับเวลามีเหตุ อะไรอะไรต่ออะไรกระทบ ก, กระทั่งมาแล้วก็หัดอดหัดทนหัดพิจารณาสอนจิตให้รู้เท่าตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งที่ฝ่ายดีก็ดีฝ่ายชั่วก็ดีไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้ เมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญายอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถือมั่นในเรื่องที่กระทบกระทั่งนั้นจะดีก็ตามชั่วก็ตามเมื่อเมื่อจิตไม่ยึดถือไม่วันไหนไปตามแล้วมันมันก็ดับไปเองมันไม่ต้องไปกาหนดละอะไรมันมันก็ดับไปเองมันแหละเพราะว่าจิตรู้ตัวแล้วเนี่ยรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ควรยึดถืออย่างนี้นะแล้วก็ มีสติประคองจิตไว้ไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้วันไ้ไปตามเรื่องนั้นๆอย่างนี้ธรรมดาอารมณ์ทั้งหลายนี่ถ้าจิตไม่ยึดถือไม่ส่งเสริมแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันดับไปเท่านั้นเองเนะี่ไอลิศเดชของอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วต่างๆนันนะทุกคนนั้นต้องพิจารณาให้รู้เป็นของร้อนนะ ไออารมณ์ดีหมายความว่าอารมณ์ดีอารมณ์ที่หให้น่าให้น่ายินดีให้หน่าพอใจให้หน่ากำหนัดอันโมนี้นะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลยเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเรามันก็เผาใจร้อนไม่ใช่มีแต่อารมณ์ชั่วอย่างเดียวนะทำจิตให้เราร้อนนะอารมณ์ดีก็ทำจิตให้เราร้อนเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าจิตมันละอารมณ์อันชั่วลายได้แล้ว มาสงบจิตลงไปเป็นหนึ่ง <c oughs> แล้วเกิดความเอิบอิ่มใจเพราะความสงบจิตอันนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปีติในธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะปีติสุขขังเสติวิปัสสันเนนเจตาสาวนนผู้มีปีติอยู่ในธรรมย่อมไม่ เดือดเนื้อร้อนใจย่อมมีความสุขเป็นผลอืมอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าผู้ทําใจสงบแล้วเกิดปีติขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันเมื่อข่มปีติอันนั้นไว้ได้ไม่ไม่ปล่อยจิตให้วันไว้ไปตามปีติอันนั้นนะจิตมันก็รวมลงสงบลงได้ก็มีความสุขความสบายไม่มี ความกังวลอะไรในอดีตอนาคตนี่ความยินดีนะ่ให้พึ่งเข้าใจว่ามันมีอยู่สองประเภทความยินดีในธรรมอันเป็น่ายกุสนความยินดีในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสความรักความใคร่ความต้องการปรารถนาทงต่างนี่อันแลความ ไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันที่ตนเห็นว่าน่าเกลียดน่าชังแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาอะไรหมดนี้นะนี่แหละอารมณ์มันที่ก่อให้เกิดความยินดียันร้ายในใจมันมีสองประเภทอย่างนี้เอกประเภทหนึ่งพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอันนี้ เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตต า, เ, าเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายต่างๆเช่นนี้แล้วก็เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาป่าทะนาที่จะให้เป็นพ้นไปจากสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอันนี้นี่ได้ชื่อว่าเป็นความเบื่อหน่ายอันประกอบไปด้วยปัญญาพิจารณาเห็น ว่าสังขาร น, นามรูปนี่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจอะไรอย่างนี้นี่มันเป็นความเบื่อหน่ายที่จะเป็นทางให้หลุดให้พ้นจากธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ไปได้ที่ความเบื่อหน่ายอันเกิดจากกิเลส ซึ่งอย่างเช่นว่าไปเห็นบุคคลใดคนหนึ่งไม่ถูกกับทยาศัยของตนเห็นเวลาใดก็นึกเบื่อหน่ายคนผู้นั้นเวลานั้นไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากพูดด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นความเบื่อหน่ายประกอบไปด้วยโทสะคือความโกรธประกอบไปด้วยโมหะความหลง ไม่ใช่เป็นความเบื่อหน่ายที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ในสงสารนี่แต่ต้องให้เข้าใจในความเบื่อหน่ายทั้งสองประเภทดังกล่าวมานี้ความเบื่อหน่ายประเภทที่ว่านี้เราไม่ควรส่งเสริมถ้าว่าเป็นอยู่เช่นนี้ก็จิตใจมันมีลาเอียงอยู่มันก็ไม่เป็นทางสายกลางได้เลย อย่างนี้แหละท่านเมื่อพบบุคคลหรือว่าสิ่งของอันเป็นที่นักพออกพอใจของตนก็ยินดีพอใจรักให้บุคคลผู้นั้นแล้วก็สิ่งของนั้นๆอย่างนี้นะเมื่อพบกับบุคคลที่ไม่ถูกกำนิสัยใจคอของตน ขึ้นมาหรือว่าพบได้สิ่งของอันไม่เป็นที่เพราะใจไม่เป็นที่ตนต้องการอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายโกรธเกลียดชังขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเป็นกลางได้ยังไงจิตอันนะมันก็เอียงไปเอียงมาก็ไม่ใช่หนทางไปสู่พระนิพพานซะแล้ววันนี้อืมเป็นห น, นทางให้ กให้คล่องอยู่ในโลกสงสารอันนี้พราสัตว์โลกทั้งหลายนะก็สังเกต ด, ดูตั้งแต่เกิดมาโน่นแหละตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ น, นมันก็มีความพอใจกับความไม่พอใจเนี่ยนะเป็นเครื่องอยู่ในใจเด็กๆถ้าเอาสิ่งของที่มันพอใจให้มันเล่นอย่างนี้เอมันไม่ร้องให้อืมมันเล่นหัวอยู่นั่นเนะี่ย ถ้ามันได้สิ่งของที่มันไม่ชอบใจมันแล้วมันไม่เอาไม่ร้องให้นั่นแสดงว่าคนเรานี่นะมันยึดมัน่นมันสร้างเอาความยินดียินร้ายติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนน้นเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาแต่เป็นเด็กเป็นเล็กคุณมันก็แสดงกิเลสล่านี้ออกมาให้เห็นแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเจริญไว้ใหญ่โตมาก็จึงแสดงออกซึ่งความรักความชังอันนี้เลยมาจนว่าบุคคลได้มาฟังคำสอนของพระตัวเจ้าและวันนี้ก็รู้แนวทางปฏิบัติทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจึงได้มาพิจารณาเห็นกิริยาอาการจิตของตนว่าแต่ ก่อนมานี่จิตลำเอียงไปเอียงไปข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงจึงไม่มีความสุขความสบายได้อถึงจะมีความสบายก็สบายได้เป็นครั้งข่าวเท่านั้นเองแล้วในที่สุดก็ไม่สบายก็เดือดร้อนใจอืไปอย่างนั้นต่อวันนี้อัน อาการของจิตนี่มันเป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่ใ น, นแต่ไรมาขอยพากันพิจารณามันเห็นเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันจึงหาความสุขไม่ได้นั่นแหละดังนั้นพระบรมศาสตร์ดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้น เห็นความสำคัญของการฝึก จ, จิตใจนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปไหนก็ไม่ลืมจิตดวงนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมจิตดวงนี้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้เองนะแม้ว่าผู้ใดจะมีความรู้สักเท่าใดก็ตามถ้าไม่รักษาจิตตัวเองแล้วก็ไม่มีทางนะจะหลุดพ้นจากกิเลสและของทุก์ไปได้ อันเมื่อเวลาที่จิตใจยังไม่ทันบรรลุโลกุตระธรรมนีนะ่ยังตกอยู่ในโลกิยธรรมนี่มันต้องรักษาต้องควบคุมอยู่เรื่อยไปอุปมาเหมือนอย่างเด็กที่เกิดใหม่ที่ยังไม่รู้เรียงสา พ่อแม่ต้องเอาใจใส่ต้องประคบประงมดูแลไม่เช่นนั้นแล้วเด็กก็สมสารไปตกเรือน ห, หรือตกน้ำหรือเป็นอันตรายโดยเหตุอื่นเพราะเด็กยังไม่รู้ผิดรู้ถูกด้วยตนเองได้รู้ว่าควรหรือไม่ควรไม่รู้เลยจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นั้นดูแลอยู่ตลอดเวลา เมื่อรูปใหญ่รู้เรียงสายแล้วก็วางใจได้วันนี้เขาก็รักษาตัวเองได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตนี้ยังอยู่ในโลกียธรรมธรรมดาโลกียธรรมนี่มันเป็นไปด้วยอำนาจแหง่งธรรมที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนี่มันควบคู่กันไปอยู่อย่างนี้ เพราะจิตยังไม่รู้แจ้งในธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันก็ไปสะสมธรรมที่เป็นอกุศลขึ้นมาในเมื่อมีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าเขามายุ่วให้โกรธต่างๆเช่นนี้ก็โกรธขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นก็แสดงว่ามันไม่รู้ว่า ความคิดโกรธเช่นนี้มันเป็นอกุศลเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันไม่รู้แจ้งเห็นแล้วมันถึงได้โกรธขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ถ้ามันรู้แจ้งแล้วอย่างนี้มันจะไม่โกรธเลยมันจะห้ามจิตตัวเองได้เพราะมันรู้แจ้งเนี่รู้ว่าไม่ควรยึดถือเรื่องอย่างนี้นะมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษอย่างนี้นะมันรู้เช่นนี้แล้วมันก็ห้ามจิตได้เลย เมื่อจิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์นั้นก็ดับไปจิตก็เป็นปกติอยู่เท่านั้นเองจึงว่ามันสำคัญอยู่ที่การที่เรามาเห็นความสำคัญในการฝึ ก, กจิตนี่นะยิ่งกว่าการฝึกช่างมาวัวควายอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนั่นแหละอันกายวาจานี่ถ้าหากว่าฝึ ก, กจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้ว ความประพฤติทางกายทางวาจานี่มันก็ดีไปสม่ำเสมอไปเพราะว่าความประพฤติทางกายวาจามันมาจากจิตจิตเป็นผู้วงการถ้าจิตเป็นสินเป็นธรรมแล้วอย่างนี้มันก็ประคับประคองกายวาจาในให้ทําดีพูดดีไปให้ประพฤติไปตามหลักของอริยมรรคเช่นสรรมมากรมมันตะทําการงานชอบอย่างนี้นะ แต่ทําการงานชอบนี่ท่านว่าไปควงควางแต่ถ้าบุคคลผู้เว้นจากการงานที่เป็นบาปเป็นโทษแล้วอย่างนี้การทําอะไรก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าเว้นจากฆา่าสัตว์เว้นจากรักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นให้เลวอินของเสพติดให้โทษต่างๆนี้ เมื่อเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้วเอกการทำการงานอย่างอื่นนี่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรเลยวั น, นี้นะเป็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นทั้งนั้นเหตุนั้นท่านเจว่าสัมมาคมมันโตในพวกทำการงานชอบคือเว้นจากทุจริตสามสี่ประการนั้นเสียแล้วมันก็ทำอะไรก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษนี่ต้องให จำกัดลงอย่างนี้ความบพุพเพทางกายนะไม่ต้องไปเทียวสงสัยลังเลว่าทำอะไรเนาะมันเป็นบาปบางคนทั้งที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มากมายยังสงสัยอยู่ก็มีว่าทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปหรือไม่เนาะหรือไม่เป็นบาปอย่างนี้นะก็มันสงสัยก็เพราะเหตุว่ามันไม่ได้หยิบยกเอาเรื่องบาปเรื่องโทษมาพิจารณาในใจให้แน่นอน เนื่องมันน่ะจำได้โยปานาติปาทเวลมณี อ, อย่างนี้ก็จำได้ทุกคนแหละแต่แล้วเมื่อมันไม่ได้นอกเขออามาพิจารณาในใจด้วยปัญญาแล้วมันก็ลืมเลือนไปนะแล้วมันก็ไม่ค่อยจะรักษากายวาจาเมื่อตนทำผิดพูดผิดไปแล้วในขณะที่ทำไม่รู้ตัวเมื่อมารู้ตัวในภายหลัง เสียใจแล้วบ้านี่เออเราเนี่มันทําไปในสิ่งที่ไม่สมควรแล้วศีลเราขาดแล้วนี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติที่ยังไม่รอบครอบไอผู้ไม่ปฏิบัตินั้นมันไม่สะทกสะทานอะไรหรอกมันจะทําผิดพูดผิดไปยังไงมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ตื่นตัวไม่รังเกียจความผิของตัวเอง ยังถือว่าตนนั้นดีอยู่ล่ำไปอย่างงี้นะนั่นเรียกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมเสียเลยแหอะ น, นี่ไม่สนใจที่จะปฏิบัติเลยแต่คนที่สนใจปฏิบัตินี่มเมื่อคว่าปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังปฏิบัติครึ่งๆึกลางกลางคำว่าสมทานสินก่สมทานไปแล้วก็ไม่ น้อมเอาข้อศีลต่างๆไปวินิจฉัยไปพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาของตนเองว่าศีลแต่ละข้อนั้นล้วนตั้งแต่ส่งเสริมให้ตนพ้นจากทุภพในอบายภูมิทั้งสี่ทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะเมื่อตอนมีศีลทั้งห้าข้อนั้นด้วยดีแล้วอย่างนี่พูดถึงผู้ครองเรือนนะ ก็มั่นใจอุ่นใจได้เลยน่ะว่าตนนั้นตายลงก็กคงไม่ได้ไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนอย่างนี้แม้การอธินาทานการเมโมสาสุรก็เหมือนกันเลยสำรวมระวังไม่ล่วงเกินทิขาบทเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่มีการกระทำอย่างอื่นพูดอย่างอื่นมันก็ไม่มีบาปมีโทษอะไรเลย อย่างนี้นะเอ่อทีนี้เราต้องพิจารณารู้ถึงมูลเหตุที่จะให้ทำความชั่วเหล่านี้มันก็เกิดจากความโลภความอยากได้อะไรต่ออะไรไม่ไม่สิ้นสุดนี่อันหนึ่งเกิดจากความโกรธมันสั่งสมความโกรธไว้ว้งมากแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วเหล่านั้นได้ เกิดจากความหลงการที่ปล่อยจิตให้ความหลงครอบงำเข้าไปแล้วมันก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรการกระทำคำที่พูดว่ามันผิดหรือมันถูกไม่รู้เลยเมื่อความหลงครอบงำแล้วก็เมาไปเหมือนอย่างคนเมาเหล้าเนี่ยสัตย์เสภเนจรไม่รู้ตัวว่าตนเป็นอยู่อย่างไรไม่รู้ตัว จนเมื่อสางจากการเมาเ่านันจึงค่อยมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาจึงทำดีพูดดีได้ใจคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อในระยะที่ความหลงครอบความอยู่แล้วนะ่ะมันทำไปพูดไปโดยไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบในการทำการพูดของตนเลยผิดก็ช่างถูกก็ตาม ก็ทำไปพูดไปเรือ่อยเปลยไปอย่างนั้นแหละใครจะตักเตือนมันก็ไม่เอาตามไอ้คนหลงคนเมามันไปอย่างนั้นต่อเมื่อใดผู้นั้นน่ะได้ฟังคำสอนของบุตรเจ้าแล้วไปฝึ ก, กจิตใจขหงตนให้เข้าถึงความสงบเช่นนี้แล้วปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจึงมองเห็นบบ น, นี้นะอ๋อการที่ตนทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นที่ล่วงแล้วมา เป็นความผิดเป็นบาปเป็นโทษทั้งนั้นเลยไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญอะไรอย่างงี้มันจึงมองเห็นเบื้องหลังของตนได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้เมื่อมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็ไม่สะสมเรื่องชั่วเหล่านั้นต่อไปอีกแล้ววันนี้เมื่อก็ควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณด้วยดีเรื่อยไปอะ การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณสม่ำเสมอไปได้ก็เพราะอาศัยสติสมัมปชัญญะในควบคุมนะนั่นคอลัมัดระวังไม่เผลอตัวถ้าหากว่าเผลอตัวหมายความว่าสตินั้นระลึกไปทางอื่นเสียมากต่อมากเช่นเอกิเลตมันแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเลยจิตคิดเป็นบาปอากุศลไปโดยไม่รู้ตัว เพื่อรู้ตัวที่ไหนมันพอแรงแล้วมันหลงไปมากแล้วอย่างนี้นะมันก็แก้ยากสี่วันนี้นะนั่นเองดังนั้นจึงว่าอันดวงจิตนี่นะถ้าขาดสติสมวูรญญประคับประครองแล้วไม่เป็นท่าเลยเไหลไปหมดมดีมาถึงเข้ากอไปตามเรื่องดีนะั่นชั่วมาถึงเข้าก็ไหลไปตามเรื่องชั่ว อย่างนี้เนะี่ยเรียกว่าสิ่งใดมาจูงไปก็ไปตามไปเลยเพราะโลกอันนี้มันก็มีดีกับชั่ว น, นี่แหละเป็นคู่กันอยู่เมื่อใจผู้ใดมันขาดสติสัมปชัญญะประคับประคองแล้วเช่นนี้นะมิแต่มันไหลไปตามยถากรรมเลยวะนี่สุดแล้วแต่อารมณ์ใดมายุ่วยวน ก็ไปตามอารมณ์นั้นอมันเป็นอย่างนี้ให้พึงพากันสังเกตดูให้ดีแล้วเมื่อที่นี่ผู้ใดได้มาประพฤติปฏิบัติทมเข้าไปมาฝึกสติสมบัติเชิญยะให้แ ก, กล้าเข้าไปไม่ลืมกายไม่ลืมจิตนี่มีความระลึกได้อยู่ในจิตนี้เสมอ รู้ว่าจิตของตนเป็นอยู่อย่างไรจิตไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณก็รู้ว่าจิตตั้งมัน่นอย่างนี้นะเมื่อจิตไม่ดีรู้ว่าจิตของตนขนาดนี้มันไม่ดีอย่างนี้ก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นมันไม่ดีเพราะมันยึดถือเอาเรื่องชั่วอะไรไว้ ก็ต้องเพ่งพิจารณาดูนี่เมื่อมันรู้ว่าจิตไม่ดีเพราะมันยึดถือเอาเรื่องชั่วเหล่านี้ไว้มันถึงไม่ดีอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็กาหนดละเรื่องชั่วอันนั้นให้มันระงับดับไปจา ก, ก จ, จิตใจความดีมันก็เกิดขึ้นในใจใจก็ อ, อบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลที่ตนกระทาบาเพ็ญมา อุปมามันยังคนปลูกพืชลงในดินถ้าปล่อยให้หญ้าท่วมอย่างนี้พืชนั้นก็ไม่งอกงามเลยสูกซีดไปแต่ถ้าไปตายหญ้าไปถอนพัชฉพืชนั้นออกไปจากต้นไม้นั่นแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำเข้าไปอย่างเงี้ยต้นไม้นั่นมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้เต็มที่เลยอยจิตใจคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเลย มเมื่อรู้ว่าจิตนี้มันมีกิเลสครอบงำจิตใจอยู่มีกิเลสรบกวนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนี้นะมีกิเลสเป็นศัตรูของจิตนี้อยู่เช่นนี้แล้วเราก็พยายามกำหนดละมันเรื่อยๆไปเหมือนบุคคลพยายามถอนต้นหญ้าต้นไม้ออกาก ต้นไม่ที่มีผลนั่นเองเนี่ยอืมอนนี้เมื่อเราเพียรพยายามละมันอยู่อย่างนั้นเบื่อหน่ายต่ออารมณ์มันชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ยินดีกับมันเลยอย่างนี้เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็เพียรละมันแหละคนเรานะถ้ามันไม่เบื่อหน่ายก็ไม่เพียรละแล้วก็ปล่อยให้มันเผาจิตให้เราร้อนอยู่นนจนมันจาง หายไปเองมันลันจางหายไปเองมันอย่างนั้นไม่ใช่มันดับไปนะส ง, งบลงไปซ่อนตัวอยู่ในจิตนั่นแหละอเมื่อมันแผงเลยเต็มที่แล้วกิเลสนี่นะมันก็มันก็หลบซ่อนตัวอยู่ในจิตนั่นแหละทีนี้พอจิตมีสติสมบัตญยะระลึกถึงบุญกุศลได้ บีิจิตก็ยินดีพอใจในบุญในกุศลนั่นอ่ะกิเลสมันก็ไม่มีอำนาจที่จะครอบงำจิตได้ในเวลานั้นนะให้สังเกต ด, ดูทีนี้บุคคลใดเมื่อสติอ่อนแออย่างนี้แล้วเวลาระลึกถึงบุญกุศลได้กระลึกไปอันไปไปแล้วผสติมันก็เหลวไหลระลึกไปทางอื่นเสีย อย่างนี้แล้วก็ลืมบุญลืมกุศลเข้าไปจิตใจไปหลงยินดีเย็นไร้กับไปกับเรื่องภายนอกไปแล้ววันนี้กิเลสที่มันหมักดองในจิตใจมันได้ช่องมันก็โผล่ขึ้นครอบงำจิตใจเพราะมันได้เชื้อแล้วนี่มันได้เชื้อจากภายนอกแล้วบันนี้มันก็ลุกโพรงขึ้นเหมือนอย่างไฟ มันหมกเท่าอยู่นั่นแหละเมื่อมันได้หญ้าแห้งใบไม้แห้งอะไรไม้แห้งเข้าไปแล้วมันก็ลุกโพรงขึ้นอย่างนั้นนี่อืนั่นแหละกิเลสอันมักนองอยู่ในจิตใจคนเรานี่น่ะถ้าว่าเราภาวนาเราสมรวมจิตอยู่เสมอไปแล้วเช่นนี้ไม่สะสมอารมณ์อันชั่วร้ายภายนอกไม่ปล่อยใจของตนให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ ของโลกสงสารอันนี้อย่างนี้นะกิเลสมันเก่าของเก่านั้นมันไม่ได้เชื่อแล้วมันก็มีแต่มันตายไปตายไปนะเหมือนอย่างต้นไม้ที่ไม่ไม่รดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยมันมันแห้งมันแรงต้นไม้ที่มันปลูกขึ้นมาใหม่นะมันไม่ได้ อาหารช่วยมันบันทึมันก็มันก็เฉาไปเฉาไปก็ตายลง อ, อย่างนี้แหละกิเลสในใจคนเรานี่เหมือนกันนะถ้าหากว่าใจมันไม่ยึดถืออาอารมณ์ภายนอกเข้ามาทำความเสียใจดีใจเศร้าโศกแล้วกิเลสที่มักดองอยู่ในจิตใจมาแต่ก่อนนั้นก็ไม่มีกำลังอะไระจะมาครอบงมจิตได้ก็ฉันนั่นแหละ ดนนันายพากันเข้าใจเรามันต้องมีอุบายวิธีมันต้องมีความรู้อย่างนี้การละความชั่วทำความดีมันก็จึงเจริญด้วยกุศลคุณงามความดีได้เพราะว่าความดีนี่มันมีความชั่วเป็นศัตรูมันเป็นอย่างนั้นคนเมื่อเริ่มทำความดีเข้าไปเดี๋ยวก็ความชั่วก็โผล่มาแล้ว มารบกวนจิตใจให้พุ่งสั้นเลื่อนลอยไปบางทีก็เลยทำความดีไม่ได้ทำใจพุ่งสั้นเลื่อนลอยโอ้ทีแรกคิดว่าจะไปวัดดอกอย่างนี้นะพอมีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งเขาจิตใจวันไหวเดือดร้อนเข้าไปแล้วโอ้ใจไม่ดีไม่ไปวัดหรอกคราวนี้ก็ต้องงดไปวัดไปวากันไปแล้วก็ไม่ได้ไปฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ไปฝึ ก, กจิตใจในที่สงบสงัดพราะกิเลสมันบรบกวนจิตใจเอาตนก็กจิตใจอันดวงนี้ก็ไม่มีอํานาจอยู่เหนือกิเลสก็เลยปล่อยให้กิเลสมันจูงไปตามประสงค์แับนี้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้รู้ตัวดีว่าในขณะนี้กิเลสมันกําเริบขึ้นมาครอบงำจิตใจของเรา เราจักไม่ยอมให้มันครอบงำอยู่อย่าง น, างนี้แม้เราจะไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเราก็กาหนดเพ่งละกันอยู่ในอิริยบบถในอิริยาบทหนึ่งยืนอยู่ก็กำหนดละอยู่นั่นแหละเดินไปก็กำหนดละมันนั่งอยู่ก็กำหนดละมันนอนอยู่ก็กำหนดละมันอยู่อย่างนั้นเมื่อหาว่าเราเพียนมั่ยามเพ่ง กำหนดละมันอยู่อย่างนั้นนะมันีบมันก็ไม่ไหวละกิเลสเหล่านะั้นมันก็ทนไม่ไหวพอะใจไม่ส่งเสริมแล้วมันก็ค่อยดับไปดับไปเท่านั้นเองในที่สุดอารมณ์อันชั่วร้ายเหล่านะนั้นดับไปจากจิตแล้วจิตก็สงบสบายก็อย่างที่สแสดงมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นแหละไอปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเรามีความเพียรเพ่งพินิษ เมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาจิตใจมันวันไหวแล้วก็อย่าไปย่อท่อถอยหลังสู้ทําความเพียรพิ่งพินิษฐ์เมื่อเมื่อจับอารมณ์บรรไดได้ว่าจิตใจวันไหวเพราะเรื่องนี้แหละอย่างนี้นะแล้วก็กําหนดละมันเลื้อยไปอย่างนี้นะไม่ส่งเสริมมันในการกําหนดละอารมณ์อย่างที่ว่านะมันก็โรอนใจบ้างแหละเพราะ อารมณ์เหล่านั้นมันเป็นสื่อของกิเลสเอเมื่อเรากําหนดละมันมันก็แผงฤทธิ์ทําให้เกิดความรู้สึกทุกขเวทนาเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้นะนั่นฤทธิเดชของกิเลสนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ต้องวันไว้กับมันนะ่ะอืมไม่ต้องวันไว้ กำหนดละมันไปเอยๆมันจะทุกขเวทนาอะไรเกิดขึ้นก็ อ, อ, อดกั้นทนทานไม่ย่อท้ออันนี้เรื่องของกิเลสมันก็เป็นอย่างนี้แหละแเรื่องของบุญกุศลเป็นของเย็นเราก็เทียบกันได้อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจะไปปล่อยให้กิเลสมันเผาลนุนจิตใจอยู่นี่ทำไมเล่าเตือนตนเข้าไปก็สู้กับกิเลสแล้ววันนี้เพ่ง ทีนิดกันอยู่นั้นและละกันอยู่อย่างนั้นในที่สุดเมื่อสติสมัสชยะมันเก่กล้าขึ้นไปแล้วสมาธิมันก็ตั้งขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นไปแล้วกิเลสเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็หลั ง, งับไป ม, มันเป็นอย่างนั้นวันนี้เราก็ได้ปัญญาสิวันนี้นะได้ปัญญาเพิ่มเติมขึ้นนะเรามีอุบายละอารมณ์ละกิเลส ที่มันครอบงําจิตใจเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวนั้นได้เราก็ได้ปัญญาอีกส่วนหนึ่งนี่อ๋อต้องมีอุบายอย่างนี้อย่างนี้สอนจิตจิตมันจึงจะมีกําลังเข้มแข็งละกิเลสได้อย่างนี้เราก็รู้ตัวได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ทําความเพียรอย่างว่านี่นะอยู่เฉยๆจะให้ปัญญามันเกิดขึ้นนี่ไม่ได้ มันจะไม่เกิดอะไรขอให้เข้าใจเมื่อเวลาที่เราทำการงานอะไรไปอย่างนี้นะแล้วมันมีเรื่องอะไรไม่ดีกระทบกระทั่งมานี่เอาเราก็กาหนดรู้กันทำความเพียรกำหนดละกันอยู่ในปัจจุบันนั้นเลยเอออันนี้มันเรื่องทั่วเนี่ยเราจะไปหลงไหลจะไปหวนไว้กับมันอย่างนี้นะ เรากำห น, นดรู้กำ น, นดละมันอยู่อย่างนั้นเมื่อหากว่ามันดับไปอย่างนี้ใจเราก็ปลอดโปร่งขึ้นมาเราก็รู้ได้เลยว่าอารมณ์อ น, นั้นดับไปจา ก, กจิตแล้วนี่แหละปัญญามันย่อมเกิดขึ้นโดยอุบายที่เรามีความเพียรเพ่งพินิตอยู่ในจิตใจเสมอเสมอไปเมื่อเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาเราไม่ยอทธอ ให้เข้าใจไว้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทั่งมาแล้วจิตใจย่อท่อว่นไหวไปเลยเออถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ารักก็แสดงความรักความใคร่ออกไปถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าเกรียดน่าชั่งก็แสดงความโมโหโทโสไปไออย่างนี้แล้วก็จิตใจนี้จะหาความสุขสม่ำเสมอไปไม่ได้เลย คราวใดถ้าใจเป็นบุญเป็นกุศลเอา้านึกถึงบุญถึงคุณเข้ามาก็สบายใจไปคราวใดถ้าเผลอๆไม่ได้นึกถึงบุญถึงคุณกิเลสมันลุกขึ้นมาครอบงมจิตใจเอาก็เดือดร้อนไปวุ่นวายไปเนี่ยอันนี้แสดงว่าผู้นั้นน่ไม่ตั้งสติสมบัจญญิญนรักษาใจตัวเอง อยู่เสมอไม่ระบัดระวังความรู้สึกนึกคิดในจิตใ จ, จตัวเองมันถึงเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราส่วนมากนะที่มันทะเลาะวิวาดพิเทียงกันถึงฆ่ากันตายอะไรพวนี้มันก็ร้วนแต่ว่าไม่ได้รักษาจิตใจดวงนี้แหละต่างคนต่างก็ไม่ได้สำรวมจิตใจอันนี้เลยพอไฟหนึ่งเผลอกระทบกระทั่งก็มาเดี๋ยวฝ่ายถูกกระทบกระทั่งกับ เดือดร้อนขึ้นมาก็ต่อว่ากันเข้าไปก็เลยทะเละวิวาทพุ่มเถียงกันไม่หยุดไม่ย่อนอทุ่มเถียงกันเท่าไรยิ่งยั่วโทสะให้แหลงกล้าขึ้นไปเท่านั้นถ้าระ ง, งับจิตไม่ได้แล้วก็เอาลราลงไม้ลงมือแล้วประหัดประหารกันไปนี่ลองลองสังเกตดูสิคนเราที่จะได้เป็นกรรมเป็นเนต่อกันนี่เพราะว่าขาดการสำรวมจิตนี่เอง ขาการตามรักษาจิตของตนไปทุกอิริยบทนี่แหละให้เข้าใจดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ให้พากันตั้งสติสัมปชัญญะสำรวมจิตอยู่เสมอเสมอไปจะยืนดู ก, ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็ให้มีสติกำหนดรู้อยู่ในความรู้อันนั้นนะ ความรู้อันนั้นแหละคือดวงจิตเราจะไปหาดวงจิตให้เป็นรูปร่างสีสันวัตนานะท่างๆไม่มีไม่พบหรอกอย่าไปสงสัยหายใจเข้าเราก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะความรู้อันนั้นแหละคือดวงจิตความคิดดีคิดชั่วทั้งหลายก็เกิดมาจากความรู้อันนั้นแต่ความรู้อันนั้นะ่ะถ้าไม่ได ถ้าไม่ได้ฝึกผนให้มันตั้งมั่นลงไปอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วมันก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยเมื่อเรื่องดีมากระทบเข้าก็ดีไปตามเมื่อเรื่องชั่วมากระทบเข้าก็วันไว้ไปตามเรื่องชั่วนี่ความรู้สึกอันนั้นนะเมื่อไม่ไม่ได้อบรมไม่ได้ฝึกให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว ก็มีแต่วันไว้ไปด้วยความยินดียินร่ายด้วยความโกรธความเกลียดความเสียใจความคับแค้นใจต่างๆมือนี้่จิตใจก็แปรผันไปอยู่ยนี่นี่แหละจิตใจที่มันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจเดือดร้อนเล่าร้อนเท่าไหร่มันก็แสบไปหาทำชั่วทําความชั่วนั่นแหละวันนี้นะอืมใครแสดงอาการไ้ใด อะไรออกมาไม่พออกพอใจก็โกรธเมื่อโกรธทางใจขึ้นมาแนละ้วก็แสดงออกมาทางวาจาด่าแช่งหรือพูดคำหยาบคายทั้งๆนั้นนเอเสียบแทงจิตใจของผู้นั่นเข้าอย่างนี้แหละเนือเป็นนึงก็แสดงกิริยาท่าทางทางกายเหมือนกับจะชกจะตีผู้อื่นนี่เรียก ว, ว่า กิริยาของความโกรธในใจมันแสดงออกทางกายเนะี่ยไม่เป็นที่น่าพอใจของคนผู้ใ ด, ดยินได้ฟังได้พบได้เห็นเลยอ่านี่ยต้องเข้าใจอันนี้นะเป็นเป็นต้นเหตุให้คนเราทําชั่วนะกิเลสเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นไกลกิเลส ท, ที่บุคคลจะตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสก็เพราะขาดความเพียรเพ่งพินิษสํารวมจิตดวงนี้ อสำมรวมความรู้สึกอันนี้นะนั่นแหละไม่ให้ไม่สำมรวมใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่สำมรวมใจให้ตั้งอยู่ในปัญญาความรู้ความฉลาดปัญญาอันเป็นส่วนโลกีนี่นะถ้าเราไม่รักษามันก็เสื่อมได้อ่เป็นอย่างนั้นใช่ากันเข้าใจเทที่จะมันจะไม่เสื่อมเพราะทำยังไงอะ่ะ เอาก็มันทำใจสงบเป็นสมาธิลงไปแล้วก็มันพิจารณาที่นั่นแหละไอ้เรื่องใดที่เรายังไม่แจ่มแจ้งในใจก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ่มแจ้งในใจเช่นใจยังไม่เห็นทุกข์ตามเป็นจริงได้อย่างนี้นะเอาพิจารณาเรื่องทุกข์อย่างที่เคยเทศไท้ฟังมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่ห้นเลย แสดงความทุกข์อย่างย่อก็มีอย่างพิษดานก็มีหวังว่าผู้ฟังน้ะก็คงจะพอเข้าใจได้อย่างย่อก็หมายความว่าคือทุกกายกับทุกใจนี่เองเนึงอย่างพิษสดาร์ก็หมายถึงความทุกข์กายก็หมายถึงว่ากายนี่มันเกิดมาแล้วมันต้องเลี้ยงดูปูเสือมันต้องหาอาหารมาเลี้ยงมัน หาผ้านุ่งผ้าหม่ม ห, หาที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็หาอยุ่หายามารักษาในร่างกายนี่มันเป็นอยู่ด้วยความยากลําบากเพราะอะไรยังเป็นนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงนี่อย่างนี้ถ้าพิารณาดูทุกข์ในอย่างพิษสานนะเมื่อมันไม่เที่ยงก็ต้องได้รักษาต้องบำรุงมันอยู่อย่างนั้นแต่บํารุงยังไงมันก็เป็นไปอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะ ถึงเวลามันจะวิบัติแปลปวนแล้วมันไม่ฟังอย่างคนเราอยู่ดีๆเนี่ยหมดเวลามันจเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เอาขึ้นแล้วไอ้คนสมัยนี้ยิ่งตายไวฮะนี่ถ้าไม่ไปเช็กร่างกายกับหมอเป็นระยะระยะแล้วอย่างว่าคนอ้วนอย่างเนี้ยความดันโลหิตมักจะสูงขึ้นไปแล้วก็อาศัยความมัวความเมา ไม่ได้ภาวนาดูสังขารร่างกายอันนี้อา้าวก็ปวดหัวมาก็าหายาทันใจมากินเะมันก็ระ ง, งับไปชั่วคราวอ่ น, นอนนล้วก็ปวดขึ้นมาอีกกินยาระ ง, งับปวดลงไปอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความดันโลหติตมันไม่ถอยซี่บ่ะนี้มันไม่ถอยเพราะกินยาระ ง, งับปวดเท่านั้นแล้วเมื่อมันดันขึ้นไปถึงสองรอยยูนิตตรง เข้าไปแล้วนั้นหมอเขาช่วยไม่ได้เลยนะเอาลงไม่ได้เลยก็าตายเท่านั้นเองเนะี่ยคือเมื่อมันขึ้นไปเต็มที่แล้วอย่างนี้มันเส้นประสาทมันรับรองโลหิตนั้นได้ไม่ได้เอโลหิตดันแล้วก็เส้นประสาทแตกคําว่าความดันโลหิตสูงหมายว่ามันดันขึ้นสมองนน่นนะมันทําให้เส้นสมองแตกแล้วก็ตายทันทีเลย นี่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้ภาวนาพิจารณาดูร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ถึงแม่ร่างกายอันนี้มันจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าดวงจิตนี่มันได้อาศัยร่างกายนี่สร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยสร้างกุศลคุณงามความดีถ้าจิตนี้ไม่ได้อาศัยร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่ล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของผู้เผเจ้าได้เลยเหมือนอย่างสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนี้นะเราจะไปสอนมันยังไงยังไงมันก็ไม่รู้เลยหรือไม่แสดนก็เหมือนอย่างคนบาปหนาสาหดผู้ที่มาเกิดในโลกนี้เอาบาปติดตัวมาบาปมันมาตกแต่งร่างอวัยวะร่างกายไม่ให้สมบูรณ์ตลอดถึงจิตใจก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีสติปัญญาอะไรร่างกายก็ทุพลภาพ ไม่มีกําลังเรี่ยวแรงอันไรตามสัตว์ตามส่วนของมนุษย์ผู้เช่นนั้นน่ะเราจะไปแนะนําสั่งสอนอยังไงมันก็ปฏิบัติตามไม่ได้เลยเพราะมันไม่พร้อมที่จะปฏิบตัติร่างกายก็ไม่ดีจิตใจก็ไม่ดีอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระ เ, เจ้าได้นี่ร่างกายก็ดีบุญกุศลตกแต่งให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกส่วน โครคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงก็ไม่ค่อยเบียดเบี้ยนแล้วจิตใจก็ดีเป็นปกติเหมือนย่างคนทั่วๆไปเหมือนยังคนผู้ดีทั้งหลายทั่วๆไปอย่างนี้นะร่างกายและจิตใจเป็นปกติดีอย่างว่านี่แหละเช่นนี้แหละจึงสมควรที่เป็นภาชนะทองรองรับเอาคำสั่งสอนของพระเจ้าได้รองรับเอาศีล ได้รองรับเอาสมาธิได้รองรับเอาปัญญาได้นี่นะผู้พิจารณามีปัญญาได้ฟังคำสอนของพระเถรเจ้าแล้วไอการที่จะระ ง, งับบาปออกจากกายวาจาใจของตนก็ระ ง, งับด้วยสินนะเป็นเบื้องต้นเลยอย่างนี้นะนี่ผู้มีปัญญาพิจารณาแั้ก็เห็นตามสิเ อ, อแน่นอนทีเดีย ว, ว ถ้าบุคคลไม่สมทานมัในศีล น, นี้แล้วมันจะละบาปไม่ได้เลยระงับบาปไม่ได้เมื่อไม่มีศีลไม่ตั้งเจตนาวิรุธละเว้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นแล้วอย่างนี้เวลาที่ไม่ได้พบเหตุที่จะให้ทํากรรมชั่วเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําอย่างนี้แหละคันไปไปเวลาได้ไปพบเหตุที่จะให้ทํากรรมชั่วเหล่านั้นมาถึงเขาแล้วมันมันไม่ฟังมันทําไปได้ เพราะมันไม่ได้ตั้งเจตนาวิรลละเว้นหนีเรื่องมันนะเช่นอย่างว่าเอาอยู่อย่างนี้เราไม่ได้ทําปานาธิบาตอะไรแหละคันเดินไปเดินไปแล้วไปเจอสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นต้นว่ปลาหรือว่านกปีกหัดอะไรเป็นต้นหรอนี่เขาโอ้ยมันไม่ยอมให้อาภัยแล้วจับเอาไปต้มแกงกินเลยอืมอย่างนี้แหละเรียกว่า บุคคลผู้ไม่ตั้งเจตนาวิรละละเว้นจากความทุกขานั้นอย่างมันองอ่นคงจริงๆแล้วมันละบาปไม่ได้เลยอดังนั้นการที่ผูมิมั่นอยู่ในศีลแล้วอย่างนี้มันก็ละบาปอย่างงยามนั้นได้เลยอืเบงั้นละบาปห้าประการนั้นได้เลยวันนี้บุคคลผู้มีมาฝึกฝนจิตใจของคนให้สงบระ ง, งับเป็นสมาธิลงไป ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้มันก็ระงับบาปอย่างกลางได้บาปอย่างกลางคืออะไรคือความรักความชังความง่วงเหงาเหานอนความที่ปล่อยใจพุ่งร่านเลื่อนลอยไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้นี่เมื่อจิตใจมันสงบลงไปแล้วกิเลส หรือว่าบาปประทมส่วนกลางอันนี้มันก็ระงับไปหมายความว่าความรักมันเกิดขึ้นในใจแต่มันไม่เป็นเหตุที่จะให้ไปทำบาปอย่างเช่นความรักที่มันเกิดขึ้นในใจของคฤหัสถผู้คลองเรือนมันก็สมสู่กับสามีหรือภรรยาของตนโดยเฉพาะไม่ได้สนไปสมสู่กับภรรยาสามีคนอื่นมันก็ไม่เป็นบาเป็นโทษนี่อย่างนั่นแหละ ความชังเกิดขึ้นในใจอย่างนี้มันก็คิดนึกชังแต่ในใจแต่ไม่ถึงกับว่าได้ลงไม้ลงมือประหัดประหารคนที่ตนเกลียดชังนั้นที่นี่ความง่วงเหงาหานอนอย่างนี้มันมีอยู่แต่เมื่อถึงเวลานอนมาแล้วมันก็ย่อมง่วงเป็นธรรมดาแต่ที่ว่าความง่วงเหงาห้ า, หานอนในที่นี้ไม่ถึงเวลานอนมันก็ง่วง พอทำความเพียรเข้าไปเนี่นั่งสมาธิภาวนาลงไปอย่างนี้มันก็ง่วงขึ้นมาความง่วงมาครอบงํากายใจอันนี้ให้อ่อนเปี้ยเพียแรงลงไปอย่างนี้นะอันนี้แหละมันเป็นอุปสรรคต่อกุศลธรรม เ, เมื่อจิตใจถูกความง่วงครอบงาําแล้วก็ไ ม, ไ ม, ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยคันว่านั่งอยู่ก็นั่งหลับอยู่เท่านั้นนั่งหลับนั่งฝันไปเป็งานพอนอนล้งก็หลับ ไหลไปเลยก็ไม่ได้อะไรแล้วนี่เพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมเนะ่เมื่อยังไม่ถึงเวลานอนไม่ น, นอนมันนี่ต้องฝึกตอนไปในกำหนดของผู้ปฏิบัติธรรมนะตอนตั้งแต่ย่ำค่ำลงไปแล้วก็ทำความเพียรไปไอ้ผู้อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนทรมวนันยอย่างนี้ก็เอา้า นั่งภาวนาบ้างเดินจงกรมบ้งางก็ดูตำหลับตำราบ้างอย่างนี้ดูตำหลับตำราพอสมควรแล้วเวลายังอยู่ก็ น, นั่งภาวนาเดินจงกรมเดินจงกรมนี่หมายคว่า น, นั่งนานๆไปแล้วมันปวดแข้งปวดขาแล้วก็ลุกไปไปเดินเหยียดเช่นเหยียดเอ็นให้มันหายปวดหายเน็ดแล้วแต่เวลายังอยู่ก็ น, นั่งภาวนาต่อ เนี่ยเพี P P ยรพยายามอยู่เนี่ยเราถึงสี่ทุ่มล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนอเมื่อนอนหลับไปแล้วอา้าตีสองหรืออย่างมากกับตีสามก็ตื่นอย่างนี้นะหัดให้ตื่นตามเวลาอธิษฐานจิตไว้เราจะต้องตื่นตามเวลาที่ทำข้อวัด ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาฟังธรรมตามวัดข้อวัดปฏิบัติที่ทำกันมาเนี่ยอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้แล้วจึงหลับไปนั่นแหละอำนาจความอธิษฐานนั้นแหะมันจะปลุกให้ตื่นขึ้นทันกับเวลาถ้าผู้ใดไม่อธิษฐานใจไว้ไม่กำหนดใจไว้อย่างนี้แล้ว กลยมันก็นอนหลับนอนไหลไปเลยเวลาเวลาไปไม่ได้ลุกมาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมอะไรกับเพื่อนนั่งภาวนาก็ไม่ได้ไอ้อย่างนี้นี่มันก็ทำให้ผู้นั้นเนิ่นช้าบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นในใจถ้าปล่อยให้ความง่วงเหงาครอบงำอย่างว่านั่นปล่อยให้จิตพุ่งซ่านเลื่อนลอย อย่างนี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนะั่นไม่ได้ถ้าปล่อยให้จิตนี่สงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่อย่างนี้นะบุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจะน้อมใจยินดีไปในบุญกุศลเอ๊ะบุญกุศลนี่เป็นยังไงหนอเราทําไมไม่รู้ไม่เห็นนะไม่เห็นตัวบุญตัวกุศลเลยก็เกิดลังเลขึ้นมานี่มันก็ ความรู้สึกเนะี่ยมันก็เป็นสองแล้วันนี้นะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้บุญกุศลเกิดขึ้นไม่ได้เลยเมื่อผู้คนไม่สงสัยบุญกุศลนี่ท่านแสดงไว้ว่ามันเกิดขึ้นจา ก, กจิตเมื่อทำจิตนี่ให้สงบเย็นสบายลงไปได้แล้วล้วก็เอ่ยเว้นจากกรรมันชั่วดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแล้ว จิตสบายอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็นี่แหละบุญกุศลนะนั่นจะหมายเอาอะไรบุญกุศลก็เป็นนามธรรมาไม่มีรูปร่างนี่เมื่อเมื่อผู้ใดพิจารณาเข้าใจได้อันนี้มันก็หายสงสัยในเรื่องบุญนะในเรื่องบาปมันก็ตรงกันข้ามนั่นเองเนะี่ยเมื่อจิตเราร้อนอยู่ด้วยความรักความชางังความโกรกความพยาบาดอะไรต่ออะไรหมู่นี้มันก็จิตเป็นบาปแล้วนั่นนะสร้างบาปให้เกิดขึ้นมันก็ มันก็พิจารณาไม่ยากอะไรนะเรื่องบาปลักษณะอาการของบาปมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะจะไปสงสัยอะไรแล้ว่างี้นะเมื่อว่าบาปนั่นพระาศาสดาสอนให้ละเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจก็เพ่งกําหนดเตือนใจให้ละความคิดความรู้สึกอ น, นั้นเสียอย่างเงี้เพ่งละมันอยู่นั่นจนว่ามันดับไปมันไม่ดับก็ไม่ถอย เพ่งละมันอยู่อย่างนั้นทนโดยความเพ่งไม่ไหวมันก็ดับไปแหละกิเลสเอานั้นนะเมื่อกิเลสนั้นดับไปจิตใจก็รู้สึกเย็นสบายขึ้นมานี่แหละเรียก ว, ว่าความเป็นผู้ไม่สงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆหมดนี้นะเราได้พิจารณาให้เห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วเมื่อ กิเลสเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในขนาดที่เรานั่งสมาธิภาวนาลงไปนี่เราก็กำหนดละมันอย่างทิวานะ่ยนะไม่ยอดท้อเลย